ว่านี่โยมเอาใจพระพี่มาใหม่เนี่ยเราอยู่ที่นี่เขาไม่ประวรลนาอย่างนี้องค์ที่มาใหม่นี่มาญาติโยมเขาเลื่อมใสนับถือกลัวจะมาแย่งตัวเองวะ ง, งั้นเถอะกลัวจะมาแย่งศรัทธาพยายามจะทำยังไงรจรึงจะให้พระองค์นี้หนีออกจากวัดโดยเร็ววา ง, งั้นเถอะพอที้เขามาส่งเรียบร้อยพระองค์นี้ก็ไปด่าเลยด่าพระรหันวะ ง, งั้นเถอะ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 ถือพยาบาทอยู่แล้วงั้นเถะคือด่าสี่อย่างนนาวนนั้นแต่นี้ก็พอด่าเสร็จแล้วก็กลับไปพอกลับไปพรุนี้เช้าตื่นมาก็จัดซาลาปู ป, ปับไปบิณฑบาตไม่ไปบอกได้ป่ะนะว่ไปบอกพระอารหันต์ได้ไม่ไปบอกพระอารหันต์ท่านท่านก็พักอยู่กุติเอ๊ะาเราไปบอกพระเอาอนั้นไปบิณฑบาตด้วยกับเราเด็กไปฉันอาหาร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 เอาไม่เป็นไรนะพระคุณท่านผมจัดอาหารไปสองที่ให้ท่านอาจารย์สันจ้ะพอสันเสร็จแล้วผมจะได้เอาห่ออาหารใส่ในบาตรแล้วเอาไปฝากท่านองค์นั้นด้วยท่านคงจะเหนื่อยมั้งเดินทางเหนื่อยให้ท่านไดฉันกับผมองค์นี้ก็ไม่พูดพอฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยเขาเอาอาหารใส่บาตรใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็เดินมาเดินมาถึงเครื่องทาง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 เออคือพระพุทธเจ้าท่านมองจอเรดาร์ไปหมุนไปเรื่อยเลยนะเออสัตว์ตัวโลกมันนับไปตอนนีไ้ไปเห็นสัมปูกะเข้ามาในจอเข้ามาในญานของผมเออสัมปูกะมีอะไรเออสัมปูกะเขาทํากลับ ม, มาไว้แต่เขาจะหมดกรรมแล้วอันนี้สงทานศีลภาวนาของเขาเนี่ยแก่กล้าแต่ว่าเขาได้รับกรรมเพราะอดีตเขาได้ทําได้ด่าพระอระหรันตออ์แต่วาชาตินี้เขาจะได้เป็นพระอรหนะันต์ได้ไหมแต่ว่า เขายังเป็นัมพูกะอยู่เดี๋ยวเราจะไปโปรดเขาวันนี้จากนั้นพระพุทธองค์ก็บอกพระอ น, นุ์ไม่ได้เพระอ น, นุ์ไปด้วยใด้ไปองเดียวเหอนกันเน่พอเทวดารู้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปโปรดัมพูกะตัว น, นั้นเปติสุกกรบอกเน้่เพราะเป็นฐานช่วมของทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันเนเทวดากนน็บันดาลให้ฝนตกอย่างแรงสะล้างให้สะอาดหมดเลยจะให้พระพุทธองค์ก็ไปไปตามลาพัง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 ท่านจงนอนในแผ่นดินไม่ควรจะนอนเตียงของเขานั่นสมภูกะ ก, ก็ที่นอนแผ่นดินผู้นั้นใครจะดา่าพระละหันดา่าครูบาอาจารย์น่ยต้องระมัดระวังเลยเป็นบาปเป็นกรรมเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อกล่าวตักเตือนสําหรับให้พวกเราสํานึกสําเนียดเหมือนกันนั่นแหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทํากรรมสิ่งไหนไม่ดีกรรมนั้นจะตามสนอง